ตุกะมูลกะในสองรออนุบุคคลใดไม่เช่ยงกำหนดรู้การมราคานุสยัยปฏิกานุสยัยมานานุสยัยและทิฐานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ยงกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่เชี่ยงกำหนดรู้วิจิกิจชานุสใยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ยงกำหนดรู้การมราคานุสัย ปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลียงด้วยอนาคามิมักในทุกเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยกลามาคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกลามธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจฉานุสัย ปฏิคานุใสมานานุใสและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่มีกําหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวธรรมที่ม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้วิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยและทิฐานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรัก ในเวทนาสองในกรามาธาตุและในรูปธ tota าตุอรูปธาตุบุคคลนั้นไม่เชื่อกำหนดรู้วิจิกิจชานุใสการมราคานุสัยปฏิคลานุสัยและทิฐานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาและในสภาวะธรรมที่มีนับหึในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่เชื่อกำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่เชื่อกำหนดรู้การมราคานุสัย ปฏิคลานุใสมานานุใสและทิฐานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้วิจิกิจชานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคลานุใสมานานุใสและทิฐานุใสัย262อนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคลานุใสมานานุใส ทิฏฐานุสัยและวิจิก Now, ิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้ภาวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลที่แปดในเวทนาสามในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุใสกามราคานุใสปฏิคานุใสและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น แล้วก็ไม่ใช่กําหนด ร, ร, ร, ร, ร, ร, ร, รู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเปลี่ยนด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในความธาตุ บุคคล น, นั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้กลาม ร, ราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปาธาตุอรูปาธาตุและในสภาวะธรรมที่ม่นับนึกหรือวตัตทุกข์บุคคล น, นั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้น และก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสและวิจิกิจฉานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอรหัตมรักในเวทนาสองในกลามรธาบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้ภาวะราคานุสใสรามราคานุใสปฏิคานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้มานานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนา ในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้ภาวาราคานุสัยอันเกิดจากาธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสั ย, าาส ย, สยและวิจิกิจฉานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้ภาวาราคานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัย ปฏติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยอนุบุคคลใดไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำหนดรู้เอาวิชิานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลผู้พร้อมเพลยงด้วยอรหัตมรักในทุกขเวทนา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 แล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพลียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิมทั้งหมดไม่ใช่กําหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจ ช, ชานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยปฏิบุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากทา่าใด บุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ในเวทนา3ในกวามธาตุและในรูปธาตุอวรูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุใสกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กําหนดรู้ทิฏฐานุใสและวิจิกิจชานุใส บุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยบุคคลผู้พร้อมเพรียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย และวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้ปฏิภานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยปฏิภานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้กามราคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุอรูปธาตุและในสภาวะธรรมที่ไม่นับนึ่งในวัฏฏทุกข์ บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยและก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย วิจิกิจชานุใสปันจกะมูลกระในจบฉากระมูลกะในสออยหกสอ น, นุบุคคลใดไม่เท่ยกำหนดรู้การมาราคานุใสัยปฏการานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุใสและภาวะราคานุใสอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่ยกำหนดรู้อวิชานุใสอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิ บุคคลผู้พร้อมเปรียงด้วยอรหัตมรักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจฉานุใสและภวราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ไม่กำหนดรู้อวิชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวธรรมที่มีนับหนึ่งในวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพียงด้วยมรรคและบุคคลที่แปดแล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้กลารมานานาาาราคานุสัยปตุคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยภาวะราคานุสัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยปติ บุคคลใดไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุใดบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําหนดรู้กามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นใช่ไหมวิบุคคลที่8ดในเวทนาสามในกรามธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยกามราคานุสัยปฏิคานุสัย มานานุสัยและภวะราคานุส in okay. ัยอ <im> ันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่ม่กําหนดรู้ทิฐานุสัยและวิจิกิจชานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในสภาวะธรรมที่ไม่นับเนื่องเหนือวัตทุกข์บุคคลนั้นไม่ใช่กําหนดรู้อวิชานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแล้วก็ไม่ใช่กําหนดรู้การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัย บุคคลผู้พร้อมเพียงด้วยอนาคามิมักในทุกขเวทนาบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุสัยกามราคานุสัยม า, านานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยอันเกิดจากธาตุนั้นแต่ไม่ใช่เนื้อกำหนดรู้ปฏิคานุสัยบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกา ม, มาธาตุบุคคลนั้นไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุาสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย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 และภาวะราคานุัยเว้นบุคคลสองจำพวกผู้พร้อมเพรียงด้วยมรรคและบุคคลที่8แล้วบุคคลที่เหลือในภูมิทั้งหมดไม่ใช่กำหนดรู้อวิชานุัยแล้วก็ไม่ใช่กำหนดรู้การมาราคานุัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฐานุใสวิจิกิจฉานุใสภาวะราคานุใสชาประโมลกะในจบปฏิโลมในปริญญาวาระจบปริญญาวาระจบ ประหิเณวาระอนุโลมบุคคลเอกะมูลกะในสรยหกสอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละปฏิมาคนุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้ว บุคคลนั religion, ้นก ok e cool ็ล pues. ะมานุสัยได้แล um enfin ah> ้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละกามาราคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยได้แล้วและก็ละมานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละมานนุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละกามราคานุสัยได้แล้ว บุคคล น, นั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจชานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจชานุสัยได้แล้วแล้วก็ละกามราคานุัยได้แล้วอนุ บุคคลได้ละกรรมาราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละกรรมราคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกรรมราคานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลได้ละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยได้แล้วใช่ไหม วิใช่สองร้อนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตต่บุคคลละปฏิคานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหม วิใช่อนุบุคคลใดละปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้ว และก็ละปฏิคลานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละปฏิคลานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละปฏิคลานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุัยได้แล้วอรหันตตบุคคลละปฏิคานุใสได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุัยได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่สองร้อนุบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลไดละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้ว แต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลเล่วิจิกิจานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละมานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอาวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่สองร้อนุ บุคคลใดละทิฐานุสใยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสใยได้แล้วใช่ไหมวิใช่สองอหกสอนุบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิ บุคคลสามจะพวกละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันตตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่สองร้อนุบุคคลใดละภวะราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหม วิช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคนนั้นก็ละภาวะราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิช่เอกรโมลกะในจบทุกกะมูลกะในสองร้อยเจ็ดสิบอนุบุคคใดละการราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคนนั้นก็ละมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิ มนาคามีบุคคลและกรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกรรมราคานุสัยปฏิคานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลใดละกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัย olo, ลสและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจชานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลอีกสองจำพวกละวิจิกิจชานุสัยได้แล้ว และก็ละกามาราคานุสัย、ปฏิคานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภวราคานุสัยอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละอวิชานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยได้แล้ว และก็ละอวิชานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยได้แลว้วบุคคลนั้นก็ละการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ทุกกะมูละกะในจบติกกะมูละกะในสองอยเจ็ ienced. ออนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แลว้วบุคคลนั้นก็ละทิฐานุสัย วิจิกิจชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจชา น, น า, า, านุสัยได้แล้ ว, วบุคคลนั้นก็ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละวิจิกริชานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานา น, านุสัยได้แล้วอนาคามีบุคคลละวิจิกิชานุสัยกามราคานุสัย และปฏิคานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจานุสัยได้แล้วและก็ละกามาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยได้แล้วอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละภาวะราคานุสัยเอาวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิ บุคคลใดละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่เตะกะมูลกระในจบจะตุกระมูลกระในสองอเจ็สิบสองอนุบุคคลใดละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละวิจิกิจานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ ปฏิบุคคลใดละวิจิกิจานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและ valley, ทิฐานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกละวิจิกิจานุสัยและทิฐานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยได้แล้วอนาคามีบุคคนละวิจิกิจานุสัยการมราคานุสัยปฏิคานุสัย และทิฏฐานุสัยได้แล้วแต่ไม่ใช่ละมานานุสัยได้แล้วอรหันตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยได้แล้วปัญจกะมูลกะในสองอยเจ็อนุบุคคลใดละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานนุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้ว บุคคลนั้นก็ละภวะราคานุสัยอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและ ว, วิจิกิจานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปัญจกะมูลกระในจบฉากะมูลกะในสองยเจ4อนุ บุคคลใดละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยได้แล้วบุคคลนั้นก็ละอวิชานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลใดละอวิชานุใสได้แล้วบุคคลนั้นก็ละกามราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจชานุสัย และภาวะราคานุสัยได้แล้วใช่ไหมวิใช่ชาคะมมลกะในจบอนุโลมโอกาสเอกะมมลกะในสองร้อยเจ็ดสิบห้าอนุ บุคคลละกรารมราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิคานุใสในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลละปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละการมราคานุสัยในที่ใดได้แล้ว ก็ละมานานุสัยในที่น right? ั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละมานนุสัยในที right. ่ใดได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้เพื่อในรูปประธาตและรูปประธาตบุคคลละมานุสัยได้แล้วแต่การมาราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้เพื่อในเวทนาสองในการมรธาต บุคคลละมานุสัยได้แล้วและก็ละกามาราคานุสัยได้แล้วอนุบุคคลละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในทุกขเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุ บุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในการมธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วและก็ละการมราคานุสัยได้แล้วอนุบุคคลละการมราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว ปิบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละกามราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปติบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิ ในที่นี้คือในทุกเวทนาในรูปธาตุแ trails, ะละอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยได้แล้วแต่กรรมราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลและอวิชานุสัยได้แล้วและก็ละกรรมราคานุสัยได้แล้ว276อนุบุคคลแล ะ, ะปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้ว ก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลละมานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิคลานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละปฏิคลานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหม วิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคค ล, ละวิจิกิจานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุสัยได้แล้ว แล้วก็ละปฏิคานุใสได้แล้วอนุบุคคลละปฏิคานุัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวะราคานุใสในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปฏิบุคคลละภวะราคานุใสในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิคานุใสในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุ บุคคลละปฏ такая, ิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก like in ็ละอวิชานุสัยในที Hast ่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว ใ น, น ใ, ในที่นี้คือในทุกประเวทนาบุคคลละอวิชานุสัยได้แล้วและก็ละปฏิคานุสัยได้แล้วสองร้อย็สิบเจ็ดอนุบุคล i mean? ان, บคลและมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยในที่น <reviewing. S 1> <elim? S 2> ั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้ คือในทุกเวทนาบุคคลละวิจ um ิก um ิจานุสัยได้แล้วแต่มานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกามาธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจานุสัยได้แล้วและก็ละมานานุสัยได้แล้วอนุบุคคลละมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภาวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิ ในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลและมานานุสัยได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละมานานุสัยได้แล้วและก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลละภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่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 คือในเวทนาสองในการมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุบุคคลละอวิชานุสัยได้แล้วและก็ละมานุสัยได้แล้วสอง้อเจ็ดสิบปดอนุบุคคลละทิฐานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ 279. อ็อนุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้เือในเวทนาสามในการมะธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่ภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้เคยในรูปะธาตุและอรูปะธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุัยได้แล้ว และก็ละภวะราคานุสัยได้แล้วปฏิบุคคลและภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละว well. ิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่อนุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ 280อปอนุบุคคลและภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ ล, ละอวิชานุยนาานัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิใช่ปฏิบุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภาวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในเวทนาสามในกามธาตุบุคคลและอวิชานุสัยได้แล้วแต่ภวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่า ละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและอวิชานุสัยได้แล้วและก็ละภาวะราคานุสัยได้แล้วเอกระโมละกระในจบทุกระโมละกระในสองอยแปดอนุบุคคลและการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลและมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลและมานานุสัยได้แล้วแต่กามาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุ s, Peak Alter. บุคคลและมานานุสัยและกามาราคานุสัยได้แล้ว แต่ปฏิคานุสัย <Barbie. S 1> ไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลและกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละวิจิกิจานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้ คือในรูปธาตุและรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรมธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและการมราคานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนา บุคคลละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแ hey. ต, well, ต่การมาราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ไ <ana> ด้แ <video> ล <EO> ้วอนุบุคคลละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละภวราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิ ไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปประธาและอรูปประธา บุคคลและอวิชานุสัยได้แล้วแต่กรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แลว้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลละอวิชานุสัยและกรรมราคานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือล<ว>ะไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลและอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้ว แต่การมาราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วทุกกะโมลกะในจบเตกกะมูลกะในสองร้ออนุบุคคลและกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละทิฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละวิจิกิจชานุสัยในที่ใดได้แล้ว กละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในทีน่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในทีน่นี้คือในเวทนาสองในกามททตบุคคลละวิจิกิจฉานุสัยกามราคานุสัย และมานานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคลละวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยได้แล้วแต่กามราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุบุคคลละกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดได้แล้ว ก็ละภวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและภวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุใสในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิบุคคลนั้นละเฉพาะมานานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วอนุ บุคคลและการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปประธาตและอรูปประธาตบุคคลและอวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นได้แล้ว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 แต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วเตะกกะมูละกะในจบจะตุกะมูละกะในสองอยแปดอนุบุคคลและกามราคานุสัยปฏิตานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานนุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิ บุคคลละวิจิก <schedules> ิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลละวิจิกิจฉานุัยมานานุสัยและทิฐานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุัสไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้ ค, reverse, คือในเวทนาสองในกามมาตาบุคคณละวิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยได้แล้วแต่ปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกเวทนาบุคคณละวิจิกิจฉานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้ว สองอนุบุคคลและกรรมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุใสและวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละภวราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและภวราคานุใสในที่ใดได้แล้วก็ละกรรมราคานุสัยปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหม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 ก็ละอวิชานุสัยในที่นั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลและอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการมาราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุบุคคลลอวิชานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้ว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 บุคคลละอวิชานุสัยปฏิฆานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วปัญจกะมูลกะในจบฉักกะมูลกะในสองยแปดห้าอนุบุคคลและการมราคานุสัยปฏิฆานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยวิจิกิจานุสัย และภาวะราคานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละอวิชานุสัยในที่น hmm. ั้นได้แล้วมีไหมวิไม่มีปฏิบุคคลละอวิชานุสัยในที่ใดได้แล้วก็ละการราคานุสัยปฏิตานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภาวะราคานุสัยในที่นั้นได้แล้วใช่ไหมวิในที่นี้เพื่อในรูปธรตมและอรูปธาตม บุคคลและอวิชานุสัยมานนาุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยและภวะราคานุสัยได้แล้วแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุบุคคลและอวิชานุสัยการมาราคานุสัยมานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้ว <mister ius> ปฏิคานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วในที่นี้คือในทุกขเวทนาบุคคลและอวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยได้แล้วแต่การมราคานุสัยมานานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ควรกล่าวว่าละได้แล้วหรือละไม่ได้แล้วชัปกระมูลกะในจบ